ขันเท้าบวบมันแหลวบเปิดตัวงงกักกุกกักก็อ่ไันเท้าประกาศนี่เลยลวงตาประกาศแล้วยังคอยยังคอยยังคอยเศ้ายังอยู่ในความสงบทัานจันทร์ลวงตาบวประกาศเนีเอาอย่านกุกกักกัก่นวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองตุลาคม พุทธจักราช 2,558 วันนี้จะมีการประชุมที่วัดของเราหนะ น, น้าคณะทาญาติโยมบ่ายสองโมงเราจะมีการประชุมหาหรือกันเป็นการภายในคล้ายๆว่า ใ, ในกลุ่มของเรานะแต่ผู้เยาว์ว่านคำนั้นอบตัทายาติโยมมาเกี่ยวข้องที่วัดเราตลอด ถ, ถึงพระสงฆ์มาร่วมฟังกัน เราจะดําเนินการงานอย่า ง, งพวกเราอย่างไร น, นี่ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนจะได้รับรู้รับทราบร่วมกันมันจะได้ทํางานเป็นทีมนะไม่ใช่ต่างคนต่างทําเหมือนนกกระจาบบินขึ้นตาคายที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังนกกระจาบถึงจะเป็นฝูงใหญ่แต่มันแตกสามกีกัน พอถูกตาขายนายพานต่างตัวก็ต่งางแต่ก่อนมันก็บินขึ้นได้พร้อมกันเพราะมีความพร้อมเพียงสามัคคีไปที่ไหนไปได้พร้อมกันถึงจะไปกำกำลังน้อยแต่พลังแห่งความพร้อมเพียงสามัคคีนะันเปิดประเสริฐเลิศขนาดตาขายกนะ็ยังขึ้นไปอยู่บนยอดไม้ได้นกกระจากฝูงนั้น แต่พอนกจากแตกฝูงเท่านั้นใครใครก็อยากจะเป็นหัวหน้าใครๆก็อยากจะเป็นฮีโร่ใครๆก็อยากจะเป็นบุคคลสําคัญในหมู่ในคณะผลในสุดก็เลยแตกสามัคคีกันพอมีตาข่ายเข้ามาค้อมหัวเท่านั้นะเอาใครเก่งใครบินผลในสุดก็ฝูงหนึ่งก็บินขึ้นคือสู้ไม่ได้เพราะกําลังไม่พอ ไอ้ตัวเองว่ตัวเองฉลาดบ่เนียเอาพวกนั้นมาด้เรื่องเอาพวกเราบินไอ้พวกที่บินก่อนมันก็เหนื่อยเอาบินก็บินผลที่สุดก็บินไม่ขึ้นอีกเพราะอะไรเพราะกําลังไม่พอความพร้อมเพียงสามัคคีในกลุ่มไม่มีผลที่สุดก็เลยเป็นอาหารของนายพรานพรานนกก็เลยมารวบตาคายใช่ไมกัไม้เหลียวหวด้วยหวด้วยหัวด้ผลที่สุดก็เลยเอาลงกระทะ เป็นอาหารโอชะของผานนกต่อไปนี่ทานด้วยชาดกเป็นตัวอย่างถ้าพวกพวกเรามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันในหมู่ญาตในหมู่ในคณะแล้วงานทุกอย่างจะเป็นไปได้วยความเรียบร้อยราบรื่นดันวันนี้มีการไปชุมหารือหารือในหมู่ญาตในญาติธรรมของพวกเราแล้วก็พร้อมกันพวกเราเป็นเจ้าของบ้านอย่าลืม น้ำอาหารควรอาหารควรจะเตรียมไว้เหมือนกันนะเผื่อว่าใครมาหิวหิวมาใคร่ายังไม่ได้ทานอาหารเอาใครยังไม่ได้ทานอาหารไปทานอาหารก่อนเนอเราตั้งโรงทานตั้งหม้อไว้ใครยังไม่ได้ทานไปทานอาหารก่อนค่อยมาไปชมุมพอลืมมาจากบ้านก็หิวพอแรงมาถึงวัดแล้วก็ยังไม่ได้ทานอาหาร เข้าไปไปชมใจเมื่อกับไม่เป็นสมาธิเลยมันหิวอะ่ะเพราะนั้นพวกเราต้องให้อิ่มท้องสก่อนค่อยเข้าไปชมพวกเราช่วยกันดูพวกกรูบาก็เหมือนกันเดือดน้ำพวกน้ำแข็งพวกแก้วน้ำอะไรให้เพียงพอเพราะเราก็รู้อยูแล้วจะมีการปะระชุมวันนี้ก็ให้พวกเราทุกทกท่านนะควรจะเตรียมอันไหนไว้ครบาก็เหมือนกัน จะมีการบันทึกไหมบันทึกเสียงไว้ไหมก็ดีเหมือนกันว่าเรามีการไปชมกันก็ควรจะมีการบันทึกเสียงของยุคนี้สมัยนี้ควรจะมีการบันทึกไว้อ่ต่อไปเราก็จะได้เอาเรื่องเราที่เราไปชมหาหรือกันในหมู่ญาติเข้าในกลุ่มใหญ่เนีมันก็งานก็จะได้เป็นระบบ เป็นไปด้วยดีเนี่ยนะอันนี้นแหละคือการอยู่ด้วยกันมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันแต่งานกระถินปีนี้นะจะมีการแจกแจกเอ็มพสามแต่พวกครูบาพวกพระหลวงปู่หลวงตาผู้ทรงคุณนักวุฒโอนาเสียดายไม่ได้มีหนังสือแจก น่าจะพิมพ์หนังสือหลงตาที่มาวัดนาคำน้อยหรือว่าที่ยังไม่ออกน่าจะมีหนังสือสักเล่มหรือสองเล่มแจกในโอกาสอย่างนี้ก็จะเป็นผลดีแต่นี้มันเราก็คิดไม่ทันคิดว่าท่านรัตนากับพวกกลุ่มเขาจะออกหนังสือแต่พอทราบแล้วก็ไม่ได้ออกปีนี้นไม่ได้ออกหนังสือแต่มีแต่เ p 3มพีสาอ็สออก สิบเล่มปีเลยสิบแผ่น อ, อกสิบแผ่นเป็นฌานองแผ่นแล้วก็เป็นธรรมเทศนาแปดแผ่นที่หลวงพ่อเทศต่างกลามต่างวาระนะเนี่ยหลวงพ่อจะอ่านให้ฟังนะหัวข้อหัวข้อที่เอ็มพีสามที่จะออกนะพระธรรมเทศนาลำดับที่เจ็ดนะิบห้าถึงแปดสิบสอง เทศของพ่อไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะลูกหลานนะเจดบห้าถึงปดสบสองรวมทำชาดกลำดับที่ห้าถึงที่หกลาดกชาดกเอาออกทีละสองแผ่นโดยท่านพระอาจารย์อินถวายสันตสโกวัดป่านาคำน้อยอพเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีแล้วก็โมนิธิวิริยะ ณสี่ละวันจัดทำชีดีชุดนี้เพื่อเป็นธรรมทานในงานกระถินของผู้ที่สนใจในธรรมทั้งหลายธรรมเทศนาลำดับที่7 5บหถึง8ดสบสองเนี่ยนะมีหัวข้อว่าเวลาที่เป็นประโยชน์นั้นแหลคือเลือกดี ลึกดียามดีไม่ต้องหานะ เ, าเวลาที่เป็นประโยชน์ เ, เวลาที่ถูกต้องนั่นแหละคือลึกดีดียามดีแล้วก็แม้คนโง่จะมียศก็ตกเป็นทาตของคนมีปัญญานะแผ่นที่77สบเจดเตรียมกิจสำหรับอนาคตไว้ให้พร้อมลำดับที่78บด ผู้มีความบักบันและจริงจังย่อมไม่ตกต่ำแผนแผนที่เจ็สเกคนดีบาเพ็ญประโยชน์แก่ปวงชนลำดับที่แปดสิบการรู้จักพอมีแต่ประโยชน์ลำดับแปดที่แปดสิบเอ็ดคนด้อยปัญญาได้รับสุข ย่อมมัวเมาลำดับที่แปดสิบสองคนพาลไม่ยอมรับปรู้ระเบียบวินยัยคนพาลเน่ไม่ยอมรับปรู้ระเบียบวินัยนะธรรมชาดลลำดับที่ห้าและที่หกลำดับที่ห้าควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะประสบผลสำเร็จลำดับที่หก ผู้ที่รักตนก็ไม่ควรเบียดเบียนคนอื่นที่จะแจกในงานกระถินวันที่8ปดนี่ธรรมเทศนาของหลวงพ่อรวมกันแล้วมีทั้งหมด1ิบแผ่นแล้วก็เป็นชาดกสองเป็นธรรมเทศนาแปดรวมแล้วเป็นสิคือพิมพ์ออกไปเรื่อยๆ ที่เนี่ยแล้วก็ค่าใจ้า่ายมีไมมหลวงพ่อฟังฟังเสียต้อมเขาบอกว่าทั้งหมดนี่ประมาณสามแสนกว่าที่แผ่นใหญ่แผ่นแผ่นสิบแผ่นเนี่ยแผ่นสิบแผ่นในพันแผ่นแล้วก็แผ่นแผ่นคู่สามพันสามพันมันมีอยู่ห้าห้าแผ่น แผ่นคู่ๆๆนะ่มีอยู่ห้าแผ่นแผ่นละส0มพันกล่องละส0 0พันกพันแผ่นนี่ละนี่แหละคือหลวงพ่อเองก็ไม่ได้มองข้ามหรือว่ามองไม่เห็นอย่างอื่นที่จะเกิดประโยชน์สำหรับผู้ที่ทเข้ามาศึกษาธรรมะต้องอาศัย ก, การได้ยินได้ฟังหลวงพ่อก็ได้ นำแนวความคิดในเรื่องต่างๆมากหลากหลายนที่จะนำมาบอกกล่าวให้กับประชาชนพี่น้องลูกหลานแต่บางครั้งก็เป็นที่พอใจอยู่นะเออลงไปกรุงเทพเมื่อขาวที่แล้วเนี่ยก็ัมีศร้ายญาติโยมมาจากนู่นจากจังหวัดทางภาคใต้นาราธิวาสทราบว่าหลวงพ่อจะมาที่กรุงเทพเขาก็บินขึ้นมา มาเราเออกมาได้ยังไงเราก็ถามเขาบอกว่าเขาได้ฟังธรรมะเ อ, อ็มพีสามของหลวงพ่อมีขนสงไปให้ก็เลยอยากจะมาพบท่านอาจารย์พอมาพบรวก็จะบินจะบินกลับแหละเขามาพบที่สวนแสงธรรมหลวงพ่อได้ยินเพียงแค่นั้นก็ เ, ออเป็นที่พอใจออในการ แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวที่ว่าเห็นประโยชน์คงจะเป็นประโยชน์กับต่อผู้ได้ยินได้ฟังไม่มากก็น้อยเพราะว่าในทำคำสอนที่หลวงพ่อออกบอกไปทุกวี่ทุกวันกับพวกเราก็คงจะพอจับประเด็นได้ว่าหลวงพ่อเน้นในทางจุดไหนใ ห, ให้บาเพ็ญบุญใ ห, ให้ละบาปการที่จะสร้างบุญ การทําบุญมันก็ต้องมีเหตุผลในการทําบุญคนที่ทําบาปก็มีเหตุผลในการทําบาปเพราะนั้นไม่ใช่ว่าการกลัวบาปเหม่อไม่ใช่กลัวไปหมดแต่เราได้ศึกษาแล้วสิ่งที่จะเป็นบาปนั้นคืออะไรและสิ่งที่จะเป็นบุญนั่นคืออะไรมันเป็นเป็นช่องทางและเป็นแนวทางของแต่ละแต่ละเชนทางเหมือนกันนะถ้าพวกเราได้ศึกษา ถ้าพวกเราไม่ได้ศึกษาเลยค่ะเห็นว่าบาปแล้วก็กลัวไปเลยบุญแล้วก็กลัวเหมือนคนไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องต่างๆความปลอดภัยและความไม่ปลอดภัยเป็นยังไงลักษณะอย่างนั้นแ่ะแต่ผู้ที่เรียนรู้เรียนได้ศึกษาและความปลอดภัยนั่นคืออะไรทางบาปก็คืออะไรทางบุญนคืออะไรแต่บางคนสมัยหรงพ่อเป็นเนนเป็นเด็กไม่เนรเป็นเด็กแล้วพอรู้เดียงสา ภาวะแลยล่ะเออแต่เขาจะไปลงหนองน้ำหนองน้ำอยู่สองหนองน้ำสาธารณะเอออยากจะเอาเงินมาสร้างศาลาออสร้างโบสถ์ทางวัดท้งสมพานกับประชุมกันหาเรือกันอา้าวถ้าใครไปตกเอาจะรุ่งเออไปตกปลาในบ่อน้ำเนี่ยเออเก็บคนละยี่สิบบาทถ้าเอาแหไปคนละห้าสิบาท เพื่อการกุศลฮะไปหาปลาตกปลาเพื่อการกุศลและพวกเราคิดดูสิว่ามันเป็นกุศลไหมอย่างนั้นฮะมันกุศลก็จริงอยู่เอาเงินเอาเงินมาสร้างโบสถ์แต่เป็นบาปเอกุศลสำหรับฆ่าปลานะนี่แหละอันนี้ก็ะคือช่องทางในการทำบาปทำบาปหรือทำบุญมันมีเหตุมีผลในตัวตัวของการกระทำนั้น ถ้าการไปฆ่าเขาอย่างนั้นไปฆ่าปลาอย่างนั้นออจะได้เงินก็จริงอยู่แต่เป็นบุญส่ว น, นแต่เป็นบาปจุดนั้นเราจะว่าการกุศลไม่ใชออ่จะไปเรียกอย่างนั้นไม่ถูกไม่ถูกเลยเออจะไปเพื่อเพื่อเอาเงินไป เ, เก็บเงินไปเพื่อการกุศลไปลงปลา ไปลงสระปลาไปลงหนองน้ำไปลงหนองปลาไปตกปลาสะดุง้งคันละเท่านั้นแห่ใบละเท่านี้จะได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องของคุณปลาเยอะคนเห็นว่าปลาในหนองนี่มากน่าจะลงทุนได้น่าจะได้ทุนน่าจะเกินกําไรอีกต่างหากถ้าเรารู้จักวิ ธ, ธีการหานี่แหละอันนี้แหละก็คือ จะลาสรุปแล้วก็คือจะเป็นบุญไหมหลวงพ่อว่าเป็นบาปจะมากกว่าผมไปฆ่าสัตว์นะอบุญก็นิดหน่อยอบุญหาบบาปหิวลักษณะอย่างนั้นแหละบุญต้องหาบบาปต้องในหิ้วหน่อยหนึ่งมันไม่บุญไม่ใช่บุญบุญหาบนะถ้าบุญห่าบเราหาบเป็นว่าสองข้างมันมากนะอหิูลเป็นว่าน้อยอบุญหาบบาปหิูลนี่แหละวิธีการทํา วิธีการทำสร้างบุญมันก็เป็นแนวทางอีกเหมือนกันนะถ้าเรารู้วิธีการและวิธีการทำบาปก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นให้พวกเราศึกษาทำาพระเราไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้จะไปรู้ทุกทุกอย่างนะสยามภูรู้ไปทั้งหมดเป็นไปไม่ได้นะพี่น้องคณะสัทธายาตโยมลูกลานเพราะนั้นพวกเราต้องศึกษาต้องศึกษาต้องฟัง อาศัยการได้ยินได้ฟังคือบาปมันก็ต้องมีเหตุมีผลทางบาปเป็นทางชั่วบุญก็เป็นเหตุผลในการสร้างบุญสร้างกุศลมันเป็นเหตุผลของของเขาอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะทําบุญและทำบาปไม่ใช่ว่าทำกไปแล้วมันจะเป็นบุญไม่ใช่ว่าทําแล้วจะเป็นบาปไม่ใช่สิ่งใด ท, ที่เป็นจะเป็นบุญมันก็ต้องเป็นบุญสิ่งในที่มันเป็นบาปมันก็จะเป็นบาปวันยังค่า จะเป็นบุญได้อย่างไรเพราะนั้นการกลัวบุญหรอกกลัวบาปการกลัวบาปก็เหมือนกันบาปต้องมีเหตุผลที่มันจะบาปบุญก็ต้องมีเหตุผลที่จะต้องได้บุญเพราะนั้นพวกเราต้องต้องศึกษาในเรื่องเหตุผลของบุญและบาปมันไม่ต้องมีเหตุมันจะก่อนมันจึงมีผลอย่างนั้นมันต้องมีเหตุอย่างนั้นต้องเหตุบุญมันจึงเป็นบุญถ้าเหตุบาปมันก็ต้องเป็นบาป มันมีเหตุมีผลของใครของเราเพราะนั้นพวกเราคำว่ากลัวบาปก็ใช่ต้องดูเหตุว่ามันเป็นหน้าเป็นบาปไหมมันจึงเป็นบาปนะไม่ใช่ว่าเราทำบุญจะเป็นบาปไม่ใช่แล้วจะทำบาปแล้วจะเป็นบุญไม่ใช่มันเป็นช่องทางเป็นของใครของเรามันแยกแบ่งแยกกันโดยเรื่องราวโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเนะพราะนันขอให้พวกเราสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการศึกษา ศึกษาเรียนรู้ถ้าเราได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วเราจะรู้จักแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตของเราหรือว่าแนวความคิดของเราคิดคิดยังไงมันจะจะเป็นบาปต่เมื่อคิด เ, เป็นบาปก็ต้องเป็นบาปถ้าคิดในแนวของคิดเป็นเหตุเป็นเหตุหตแห่งบุญมันก็ต้องเป็นบุญ เ, เมื่อคิดเหตุเป็นบุญ เมื่อคิดเหตุเป็นบาปทั้งสองเมื่อคิดแล้วทำลงไปเมื่อกระทำลงไปการกระทำของเราเป็นเหตุแห่งบาปเป็นเหตุแห่งบุญการพูดออกไปเป็นเหตุแห่งบาปเป็นเหตุแห่งบุญแต่สรุปแล้วมันออกไปจากใจนะพิน้องลูกหลานทุกคนนะเพราะนั่นต้องระวังการที่จะดูใจดูอย่างไรไม่ใช่ว่าจะดูแบบผิวเผินไม่ได้นะ ต้องมีสมาธิดูถ้าดูให้ชัดเจนนะถ้าดูธรรมดาก็ไม่เป็นไรมีแต่ยังมีสติให้มีสติในการคิดเท่านั้นเองก็เป็นเกิดเกิดแนวความรู้เกิดรู้จักแนวทางได้แต่คนที่ไม่มีสติคนขาดสตินะคนบ้านะมันคิดไม่ออกเอาคนบ้าคิดเอามังคิดดูสิมันเป็นบาปหร่อเป็นบุญเลยถามนะสิผมยาวๆนะมันกระมูม่มับปุมับมันเห็นแต่ค้วย กับขนมขนาดเป็นที่พอมันพอที่จะกินได้นอกอย่างอื่นแล้มันไม่โูกล่ะเนีอันนี้ก็คือคนขาดสติมันจะรู้ได้อย่างไรถ้าคนมีสติขึ้นมาก็จะรู้ได้ว่าการยับยัง้งอันควรจะคิดยังไงควรจะทํำยังไงแต่ถ้าว่าคนที่มีสติมหาสติมหาปัญญาจิตที่เป็นสมาธิจิตแน่วแน่จิตนิ่งเอจิตนิ่งจิตที่เป็นสมาธิดี กำหนดดูอะไรการที่จะพูดอะไรการที่จะทำอะไรการที่จะเคลื่อนไหวอย่างไรนั่นหละท่านว่าจึงว่าให้มีสติพอมีสติแล้วก็มีปัญญาสติกับปัญญามันออกมาในแถวแนวเดียวกันเมื่อมีสติแล้วก็ตัดสินใจด้วยปัญญากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลในเรื่องนั้ น, น, น เลี่ยเราขอให้พวกเราทุกๆท่านทำธรรมธรรมคำสอนของพุธธทธะเนี่ยนธรรมธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเราได้ฟังได้ศึกษามันอยู่กับตัวของเราทั้งหมดกรรมคือการกระทํามันอยู่ในใจของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นจริงที่มันไม่ดีอย่างที่หลวงพ่อได้ย้ํากล่าวไม่ควรจะคิดในจริงนั้น น, น, นะ้าประกอบแต่คุณงามความดีมีแต่ความร่มเย็นป่าสุข เอาวันนีนะ้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอตอนนี้ไปรับพรพระสงฆ์ก็หมุนาให้พร